1. การเรียนธรรมะต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก่อนวงเล็บเปิดใหญ่ 1.8 เมษายน 2,550 ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที10วงเล็บปิดใหญ่การเรียนรู้ธรรมะมีสองวิธีเบื้องต้นเรียนรู้จากการอ่านการฟังก่อนแต่แนะนำว่าต้องอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าจะอ่านหนังสือรุ่นหลังๆมีคลาดเคลื่อนไปบ้าง หรือถ้าจะฟังคำสอนครูบาอาจารย์ก็ต้องศึกษามาบ้างแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจริงๆเพราะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ชั้นหลังๆสอนนี่บางครั้งไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนมีมากมหาศาลเลยที่ครูบาอาจารย์ชั้นหลังๆสร้างขึ้นมาเองอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มีความรู้สึกตัวในการก้าวถอยหลังในการคู้ในการเหยียดในการเดินในการนั่งในการนอน ท่านบอกให้มีความรู้สึกตัวพวกเราไม่ได้สนใจคําสอนพระพุทธเจ้าเราคิดแต่ว่าเดินท่าไหนถึงจะถูกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าการเดินมีกี่จังหวะต้องเดินท่า น, นี้ถึงจะถูกนะต้องเอามือวางตรงนี้ถึงจะถูกนะต้องเอาตาทอดอยู่แค่นี้ถึงจะถูกนะท่านไม่ได้สอนหรือท่านสอนบอกว่า ภิกษุทั้งหลายให้ครูบรลลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวของเราก็หายใจเข้าก่อนแล้วหายใจออกกลับข้างกับที่ท่านบอกนะท่านบอกให้หายใจออกก่อนหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าของเราหายใจเข้าก่อน แล้วยังกำหนดอีกว่าต้องรู้ลมกระทบตรงจุดนั้นจุดนี้นะสจุดจุดจุดจุดนะมีกระทบจุดโน้นจุดนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างร่างกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกไปเรื่อยๆคําว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้สึกไม่ได้แปลว่าบริกรรมพวกเราชั้นหลังชอบบริกรรมชอบคิดกำกับลงไปยังแค่รู้สึกเห็นร่างกายมันพองมันยุบนี่รู้สึก คิดกำกับลงไปว่านี่พองนี่ยุบนี่คิดนะนี่เกินที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วมันเป็นอุบายที่อาจารย์ชั้นหลังสร้างขึ้นมาบรรดาอุบายพวกนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใช้ได้เฉพาะคนบางคนใช้ได้บางคนใช้ไม่ได้ใช้เหมือนกันไม่ได้อย่างหลวงพ่อเทียนพัฒนาการขยับมือมีสิบสี่จังหวะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนแค่ว่าจะคู่จะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลขวาให้รู้สึก แต่ท่านรู้สึกและท่านพบว่าถ้าท่านขยับมือแบบนี้สติท่านเกิดท่านรู้สึกตัวไม่เผลอนานท่านค้นพบอย่างนี้ถ้าขยับไปเพื่อจะไม่ให้เผลอนานใช้ได้นะใช้ได้ร่างกายมันก็ขยับอยู่แล้วแต่ถ้าคิดว่าต้องขยับท่านนี้ถึงจะบรรลุก็เข้าใจผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนดังนั้นคาสอนที่เกินเกินนี่เยอะมากนะเยอะมหาศาลเราก็ชอบทะเลาะ ก, กันว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหน ความจริงสำนักไหนสอนตรงที่พระพุทธเจ้าบอกก็ดีทั้งนั้นแหละอุบายก็ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะแต่ต้องรู้ว่าเป็นอุบายไม่ใช่หลักยังบางคนดูท้องพองยุบก็ใช้ได้แต่ดูแล้วต้องรู้หลักเห็นรูปมันพองเห็นรูปมันยุบใจเป็นคนรู้รูปแยกรูปแย ก, แยกนามอย่างนี้ไม่ใช่ไปเพ่งใส่อยู่ที่ท้องพองยุบจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมถะถ้าดูท้องพองยุบก็เห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบไปนะ จิตอย่าไปเพ่งใส่ท้องให้จิตสักว่ารู้สักว่าดูอยู่ดูอยู่ห่างๆพวกเราเวลารู้อะไรจิตชอบถล้ำลงไปหลวงพ่อพูดไว้เยอะแล้วแต่เนื้อหาอเดียวกันหมดเลยคือเรื่องทำอย่างไรเราจะมีสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทำอย่างไรระหว่างรู้เราจะมีสมาธิตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ถล้ำลงไปรู้ทำอย่างไรเมื่อรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซง รู้แล้วสักว่ารู้จบลงที่รู้แล้วก็เห็นความจริงของกายของใจหลักๆ ก, ก็มีอย่างนี้นะเหมือนกันทุกวันพูดว่าทำอย่างไรจะทำให้สติเกิดสติไม่ได้เกิดจากการบังคับในเครื่องหมายคาพูดสติแปลว่าเครื่องหมายคาพูดเปิดความระลึกได้ปิดเครื่องหมายคาพูดพวกเรารุ่นหลังไปแปลสติว่าการกำหนดการกาหนดไม่ใช่สตินะ มันเป็นการไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องด้วยโลภะเจตนาจงใจไปกําหนดนั่นไม่ใช่สติตัวแท้บางคนจ้องกําหนดไปเรื่อยแล้วเกิดอาการตัวลอยตัวโคลงตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนักบูบูบวบๆบขนลุกขนพองนั่นเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยมันไม่ใช่สติที่เป็นสัมมาสติวงเล็บเปิด 2, สองสาเมษายน25หจุดจุดนาที หนึ่งวงเล็บปิดกรรมฐานนะถ้าเข้าใจหลักแล้วจะง่ายมากเลยจิตใจของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราได้อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆแต่ถ้าเราทำไม่ตรงหลักที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้ข้อหนึ่งอันที่สองถ้าเราทำกรรมฐานไม่ตรงกับจริตของเราอีกข้อหนึ่งมันจะไม่ได้ผลปัญหามันอยู่ที่ว่า ใครๆก็บอกว่าสิ่งที่สอนกันอยู่ก็เอามาจากพระพุทธเจ้ากันหมดทุกสำนักนะไม่มีใครห้าวหาญบอกว่าคิดขึ้นเองมันทำให้คนที่เข้ามาปฏิบัตินี่ยุ่งยากโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ศึกษาภาคปริยัติมาจะแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นสิ่งที่อาจารย์สร้างขึ้นมาใหม่ถ้าหากทาตามคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะการปฏิบัติจะง่ายแล้วก็ได้ผลเร็วด้วยอย่างที่ท่านบอกนะ เ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องมีผลบ้างอาจจะไม่ได้ถึงที่สุดแห่งทุกไม่ได้พระอนาคามีเหมือนในพระไตรปิฎกพูดเพราะอินทร์รุ่นพวกเรามันอ่อนลงแต่อย่างน้อยพระโสดาบันก็น่าจะได้นี่ถ้าหากเราไม่ได้ทาตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เราอ้างพระพุทธเจ้านะซึ่งทุกคนอ้างหมดมันก็ไม่ได้ผล อีกอย่างหนึ่งก็คือทํากรรมฐานไม่ตรงกับจริตของตัวเองอันนี้ถึงจะทําตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะมันก็ไม่ได้ผลสมัยพุทธการเองนะพระอยู่กับพระพุทธเจ้าเองบางรูปเรียนกับภาษารีบุตรขนาดมือระดับภาษารีบุตรนะยังให้กรรมฐานไม่ตรงจริตลูกศิษย์ก็เคยมีไม่ใช่ท่านสอนได้ทุกคนด้วย ที่นี้พวกเราไม่มีครูบาอาจารย์ในระดับพระพุทธเจ้าที่จะมาชี้เป็นชี้ตายว่าเราต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วไม่สําเร็จเราก็ต้องอาศัยการสังเกตของเราว่าทํากรรมฐานอย่างใดสติจะเกิดทําอย่างใดจะเกิดสัมมาสมาธิทําอย่างใดจะเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องสังเกตเอาไม่ใช่ทํากรรมฐานตามเพื่อนอย่างเพื่อนเขาพูดโทนะเราก็จะพูดโทกับเขา เพื่อนดูท้องพองยุบก็จะพองยุบกับเขาตาตามกันไปแบบนั้นไม่ได้ผลกรรมาฐานจริงๆทางใครทางมันนะในหลักการปฏิบัตินี่จะต้องตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ในขั้นลงมือทำนี่ทางใครทางมันแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านเคยทำมาอย่างไรก็จะสอนอย่างนั้นมีครูบาอาจารย์ที่สอนตามจริตนิสัยเหมือนกัน แต่ว่ามีไม่มากรูปที่เห็นจริงๆก็หลวงปู่ดูลสมัยโน้นคนที่ไปเรียนกับท่านมีน้อยท่านก็ทําได้นานๆจะมีคนไปเรียนกรรมาฐานสักทีหนึ่งท่านอยู่ของท่านได้สบาย90กว่าปีไม่มีใครยุ่งไม่มีคนรู้จักเวลาไปเรียนกรรมาฐานกับท่านนะท่านจะนั่งเงียบๆนะหลับตางเงียบไปเป็นชั่วโมงเลยพอลืมตาขึ้นมาจะสอนสั้นๆประโยคสองประโยคเท่านั้นแหละไม่มากกว่านั้นหรอก ถ้าเราไปทำอย่างอื่นนะแทบล้มประดาตายไม่สำเร็จหรอกวันหนึ่งกลับมาทำอย่างที่ท่านบอกได้ผลอย่างรวดเร็วเลยคือครูบาอาจารย์ที่สร้างบา ร, รมีมาในด้านนี้หายากระดับรองลงมาคือใช้การสังเกตเอาครูบาอาจารย์สังเกตเอาไม่ได้สอบประวัติเราไปในอดีตได้มากมายหลายภพหลายชาติสังเกตว่าทำอย่างนี้ดีไหมก็สอนตามจริตนิสัย ก็ยังมีคลาดเคลื่อนได้บ้างเราต้องสังเกตเอาว่าทํากรรมฐานอะไรแล้วสติจะเกิดทํากรรมฐานอะไรแล้วสมาธิเกิดทํากรรมฐานอะไรแล้วมีปัญญารู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงได้ต้องสังเกตเอาอย่าทํากรรมฐานตามเพื่อนอย่าทํากรรมฐานเพราะว่าชอบอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้สอนพองยุบคนนับถือมากถ้าจริตนิสัยเราไม่เหมาะกับพองยุบนะทําอย่างใดก็ไม่ได้หรืออาจารย์ท่านนี้สอนพุดโธ เราดูท่านเคร่งดีชอบไปหัดพูดโธก็ไม่ได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสํารวจตัวเองนะั้นมีสองอันอันหนึ่งคือเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าถูกตรงไหมอันที่สองเราทํากรรมฐานได้เหมาะกับจริตนิสัยของเราไหมถัดจากนั้นก็มาดูว่าเรามีอุปสรรคเครื่องขัดข้องอื่นๆไหมอย่างที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องไม้ลอยในแม่น้ําคงคาติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวา ไปเกยตื้นไปถูกน้ําวนถูกมนุษย์จับไว้ถูกอมนุษย์จับไว้เน่าในถ้าจิตใจของเรายึดอันโน้นยึดอันนี้ติดดีติดชั่วติดสุขติดทุกข์หรือไปสร้างภพขึ้นมาอันหนึ่งพวกเรานักปฏิบัติชอบไปสร้างภพขึ้นมาอันหนึ่งว่างๆแล้วก็น้อมใจไปอยู่ในความว่างๆนั้นแล้วก็คิดว่าเป็นพระอรหันนะอย่างนั้นมันหันไปหันมาแล้ว ต้องสํารวจใจตัวเองสํารวจว่าเรามีศีลบริบูรณ์ไหมศีลไม่บริบูรณ์อย่ามาพูดเรื่องกรรมาฐานเลยถือศีลเป็นเครื่องขัดเกากิเลดที่หยาบที่สุดก็ยังทําไม่ได้จะมาขัดเ ก, ากเลาเกลียดที่ละเอียดได้อย่างไรศีลของเราดีไหมเราต้องสํารวจค่อยๆดูค่อยๆตรวจสอบใจของเราไปเรื่อยใจของเราไปติดผัวพันธุ์ในคนอื่นไหมในลูกในเมียในสามีภรรยาในเพื่อนในฝูงในพวกเข้าวัดด้วยกัน ใจเราห่วงหน้าห่วงหลังไหมถ้ายังห่วงหน้าห่วงหลังนะก็ยังไปไม่ไหวหรือติดชื่อเสียงเกียรติยศที่ถูกอมนุษย์จับไว้ชื่อเสียงเกียรติยศอย่างอยากดังอยากเป็นอาจารย์กรรมฐานอะไรอย่างนี้อยากใหญ่อยากให้คนยอมรับนับถืออยากได้ลาบสักการะนี่คือถูกอมนุษย์จับเอาไว้สำรวจตัวเองไปนะถ้าเราไม่มีอุปสรรคเครื่องขัดข้องเหล่านี้หรือเรื่องน้าวนก็คือกาม จิตเรายังเพลิดเพลินพอใจในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไหมเพลิดเพลินในการดูการฟังการกินการนอนนี่กามทั้งนั้นแหละถ้ายัางติดในกามอยู่อย่างนี้ก็ยังข้ามภพข้ามชาติไม่ไหวเพราะฉะนั้นอันแรกเลยต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพื่อจะให้ได้หลักที่ถูกต้องอันที่สองค่อยๆสังเกตไปว่าเราทากรรมฐานอะไรแล้วเกิดสติสมาธิเกิดปัญญาเกิด อันที่สามคอยสารวจอุปสรรคเครื่องขัดข้องเป็นระยะระยะไปบางทีตอนนี้ไม่ติดขัดนะภาวนาไปช่วงหนึ่งเกิดติดขัดขึ้นมาอย่างบางคนภาวนาไปช่วงแรกดีพอภาวนาไปถึงขั้นหนึ่งแล้วอยากพูดธรรมะอยากสอนธรรมะทั้งวันเลยนะไปเจอใครก็จะพยายามยัดเยียดธรรมะให้เขาพอยัดเยียดแล้วเขาไม่เอาก็โมโหต้องสํารวจ ถ้าทำสามอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วการจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็เป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยแล้วฉะนั้นวันนี้จะพูดสามจุดนี้แหละอันสุดท้ายพูดไปแล้วอันแรกเลยคือพระพุทธเจ้าสอนอะไรแน่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือกำมือเดียวนะอะไรที่เกินที่ท่านสอนก็ยังมีอยู่อีกแต่ท่านไม่สอนเพราะไม่จาเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาศึกษาให้ดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร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 กลัวว่าจะอากตัญญูกับอาจารย์อย่างการเจริญอน า, นาปนานสติพวกเราที่ฝึกอนาปนานสติทำตรงที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าส่วนใหญ่ทำไปตามที่ฤาษีชีไพรสอนไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอนทำไปเพื่อที่จะให้ใจมันแน่วไปในอารมณ์อันเดียวแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในความสุขความสงบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นลองดู พระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานอย่างไรท่านสอนง่ายๆนะว่าภิกษุทั้งหลายให้คู่บันลังคือนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะคนแขกเขาไม่ได้นั่งเก้าอี้เขานั่งกับพื้นถ้านั่งที่พื้นจะนั่งได้ทนทนหน่อยไม่เจ็บไม่ปวดก็คือท่านั่งขัดสมาธิถ้าพระพุทธเจ้าไปตัดสรู้ในยุโรปจะบอกว่าภิกษุทั้งหลายนั่งเก้าอี้หลังตรงๆจะพูดอย่างนี้นะ จะเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าพูดกับคนนั่งพื้นนะก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายให้คูบันลังนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงๆไว้ดำรงสติเฉพาะหน้าหมายถึงรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าสภาวะธรรมอะไรที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในขณะที่ทาอนามานาสติก็ลมหายใจนั่นเองท่านสอนว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาว หายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเริ่มจากหายใจออกก่อนนะสังเกตให้ดีท่านให้หายใจออกก่อนส่วนพวกเราชอบหายใจเข้าก่อนเราจะพองหนอใช่ไหมต้องหายใจเข้าหรือหายใจเข้าพุทใช่ไหมหายใจออกโทดูให้ดีนะเริ่มเคลื่อนตั้งแต่ตรงนี้แล้วท่านบอกว่า หายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นที่เกินจากคำว่ารู้พวกเราไม่รู้การหายใจแต่พวกเราเพ่งการหายใจเราจะไปเพ่งที่ลมหายใจบ้างเพ่งที่ท้องบ้างเพ่งที่ท้องพองยุบตามการหายใจจะไปเพ่งท่านบอกให้รู้แต่เราจะเพ่งคือการหายใจเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าหายใจมีกี่จังหวะนะหายใจก็หายใจธรรมดา น, นี่เองหายใจออกหายใจเข้าไป หายใจออกก่อนนี่ใจจะเบาใจจะสบายใจจะนุ่มนวลถ้าหายใจเข้าก่อนนะใจจะแข็งใจจะกระด้างภาวนาต่อไปไม่ไหวทีนี้พวกเราที่หายใจชอบถามว่าเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนเริ่มถามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแล้วตอนกำหนดลมหายใจอยู่นี่เราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนดีบางคนตั้งที่เดียวที่จะงอยปากบางคนตั้งที่ปลายจม ok. ูก บางคนตั้งหลายที่เลยมีหลายฐานไล่ลมไปแล้วแต่ลมจะกระทบฐานไหนมีหลายฐานหฐานเจ็ดฐานแปฐานแล้วแต่จะบัญญัติขึ้นมาเช่นต้องรู้ที่ปลายจมูกนะที่จะงอยปากที่จมูกที่เพดานที่คอที่หน้าอกที่ท้องพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแต่อาจารย์ชอบสอนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือสมถกรรมฐานมันคือการเอาเชือกมัดจิตเป็นปล้องปๆ้องปล้องไว้ ไม่ให้จิตนี้ไปจากลมสิ่งที่ได้คือสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานจะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนหายใจออกก็รู้สึกไปหายใจเข้าก็รู้สึกไปคําว่าในเครื่องหมายคําพูดรู้นี้มีสองอย่างคือรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญาในเครื่องหมายคําพูดรู้ด้วยสติคือรู้สึกถึงการหายใจออกรู้สึกถึงการหายใจเข้าในเครื่องหมายคําพูด รู้ด้วยปัญญาคือเห็นว่าตัวที่หายใจออกตัวที่หายใจเข้านี้เป็นศัก์แต่ว่าธาตุศักแต่ว่าขันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราหายใจแต่เห็นธาตุนี้มันก็เพื่อมอยู่เห็นก้อนธาตุนี้มันก็เพื่อมไปตามการหายใจของมันมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาถอดถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมา ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวลาหายใจน่ารู้สึกเห็นร่างกายหายใจไปตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่คนหรอกเป็นก้อนธาตุที่กำลังกระเพื่อมกระเพื่อมไม่ใช่เราด้วยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยจิตจะเห็นมันเป็นก้อนธาตุได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูได้จิตต้องมีสัมมาสมาธิในขั้นที่เข้มข้นหนุนหลังอยู่ เพราะฉะนั้นการรู้กายนี่ต้องทําสมาธิก่อนอยู่ๆจะไปกําหนดรูปนามด้วยการรู้กายเลยทําไม่ได้จริงหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกายานุปัสสนาต้องทําฌานก่อนอย่างน้อยไม่ได้ฌานต้องได้อุปจารสมาธิจิตรวมลงไปเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวเหลือผู้รู้ขึ้นมารู้การหายใจนั้นเสร็จแล้วตัวผู้รู้นั้นมันจะทรงตัวอยู่ออกจากสมาธิแล้วจิตผู้รู้จะทรงตัวอยู่ แล้วมันจะเลยเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยดังนั้นพวกเราดูสิสิ่งที่พวกเราทำอยู่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมพวกที่รู้กายทั้งหลายทำสมาธิก่อนหรือเปล่าอยู่ๆก็รู้ท้องพองยุบใช่ไหมไม่ได้ทำสมาธิก่อนอยู่ๆไปรู้ลมหายใจจิตยังไม่มีสมาธิมันจะได้แต่สมถะรู้อิรยาบดียืนเดินนั่งนอน จิตยังไม่มีสมาธิหนุนหลังอย่างเข้มแข็งจิตมันจะถลําลงไปในท้าเวลาเดินหรือเพ่งทั้งกายมันคือการเพ่งคือสมาถะดังนั้นถ้าจะดูกายต้องมีสมาธิทำฌานก่อนคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูยังน้อยที่ถือว่าใช้ได้จริงๆต่ำที่สุดคือฌานที่สองทุติยฌานฌานที่สองต่างกับฌานที่หนึ่งอย่างไรฌานที่สองไม่คิดแล้วละวิตกวิจาร ชั้นที่สองไม่คิดเหลือแต่รู้ดังนั้นตัวผู้รู้มันจะเด่นขึ้นมาพอตัวผู้รู้มันทรงตัวเด่นเรียกว่าเอโกทิภาวะออกจากชั้นที่สองนี่อำนาจของชั้นจะหล่อเลี้ยงตัวผู้รู้ไปได้อีกช่วงหนึ่งมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วจะเห็นทันทีเลยว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่ง แยกกันหมดเลยด้วยอำนาจของสมาธิในขั้นที่เข้มข้นมันก็แยกกันไปช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะไปรวมกันอีกก็ต้องทำสมาธิใหม่อันนี้เป็นเส้นทางเดินของสมถยานิกการดูกายอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าทำไมท่านทำแล้วได้ผลมากเพราะท่านทำสมาธิก่อนแล้วค่อยมารู้กายก็ได้ผลเยอะไม่มีสมาธิไปรู้กายไม่ได้มันจะกลายเป็นเพ่งกายแต่สมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธินะ ส่วนใหญ่ที่ทำอยู่เป็นมิจฉาสมาธิเกือบทั้งหมดเลยถ้าใจของเรามีสติเห็นตัวที่หายใจหายใจออกหายใจเข้าเห็นไปมีปัญญารู้ว่าตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิหนุนหลังนี่คืออนาปานาสติเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราหรือคนไหนรู้ิริยบที่ ยืนเดินนั่งนอนอย่างที่พวกเราชอบรู้กันเราจะไปเพ่งกายทั้งกายหรือจะขยับมือเราจะไปเพ่งใส่มืออันนี้อยู่ในสัมปชัญญะบรรฑพระแล้วเคลื่อนไหวก็รู้สึกเรากลับไปเพ่งใส่มือเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้ามีจังหวะใช่ไหมหจังหวะบ้างเจ็ดจังหวะบ้างอันนี้ก็เกินที่พระพุทธเจ้าสอน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 แต่พวกเรากลับไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราทําตามที่อาจารย์สอนเดินหนึ่งก้าวมีกี่จังหวะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนึกออกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็คล้ายๆกับฝึกอาณาปณะสติอย่างที่มีฐานมากมายพอเราจะเดินจงกรมก็มีฐานมากมายกําหนดไปเป็นระยะระยะสิ่งที่ได้มาคือสมถกรรมาฐานเดินไปแล้วตัวลอยตัวเบาตัวโครง มีปิติมีความสุขขึ้นมาเดินแล้วขนลุกขนพองรู้สึกบูบบูบวบๆเราไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นวิปัสนาญาญญาญเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่อาการทางร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือปิติทํำไมเกิดปิติขึ้นเพราะว่าไปทำสมถะเข้าไม่ใช่วิปัสนาถ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะง่ายกว่านั้นภิกษุทั้งหลายเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่ คำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้ก็มีสองนัยยะอย่างที่หลวงพ่อบอกรู้ด้วยสติคือเห็นรูปนี้กําลังเคลื่อนไหวอยู่รู้ด้วยปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของรูปอันนี้มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตจะเห็นตรงนี้ได้จิตต้องมีสมาธิหนุนหลังอีกนั่นแหละหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนขยับมือสองข้างรวมแล้วมีสิบสี่จังหวะถามว่าพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่หลวงพ่อเทียนสอนถามว่าหลวงพ่อเทียนสอนดีไหมดีนะสอนดีคนไหนมีจริตนิสัยถูกกับขยับอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีนะหลวงพ่อเทียนเป็นพระที่ดีที่วิเศษที่สุดรูปหนึ่งที่หลวงพ่อเคยเห็นเลยเป็นพระที่อัศจรรย์มากนะภาวนาสามเดือนเองหลวงปู่บุตรดาว่าภาวนาเร็วนะก็สี่พรรษารุ่นหลังๆนี่ที่ภาวนาจริงๆนะ ยี 20, ่สสิบปีเริ่มหย่อนหย่อนลงมาถ้าขยับมีสติระลึกรู้รูปที่เคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนสอนชัดๆเลยนะท่านไม่ได้ให้ขยับสิบสี่จังหวะเพื่อให้จิตนิ่งๆท่านไม่ได้บังคับให้จิตไปแนบที่มือนี้ท่านให้ขยับเพื่อจะรู้สึกตัวเท่านั้นเองนี่คือความต่างกับบางอาจารย์ที่ให้ขยับแล้วมีจังหวะหลวงพ่อเทียนให้ขยับเหมือนกันมีจังหวะเหมือนกันแต่จุดประสงค์ของท่านต้องการกระตุ้นความรู้สึกตัว ไม่ใช่ให้เพ่งมือพอขยับร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกรู้ปัญญาเห็นเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่รูปที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูอยู่นี่ท่านเดินของท่านอย่างนี้นะแต่ลูกศิษย์รุ่นหลังๆก็ทำผิดเหมือนกับสานักต่างๆนั่นแหละพอขยับมือขั้นแรกเลยต้องวางท่าให้ดีก่อนทาครึมก่อนแล้วค่อยๆขยับจิตมันก็จะไปเพ่งอยู่ที่มือ นี่คือสมถะหลวงพ่อเทียนไม่ชอบสมถะแต่ลูกศิษย์รุ่นหลังติดสมถะเยอะเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําอย่างที่หลวงพ่อเทียนสอนแล้วไม่ได้แก่น์หรือแต่เปลือกคืออริยบทสิบสี่จังหวะนี้อะไรที่มันขัดมันแย้งกับคําสอนพระพุทธเจ้าต้องระวังพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเวลาขยับมือเวลาคู้หรือว่าเวลาเหยียดเนี่ยให้เพ่งให้กําหนดท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก้าวไปนะให้รู้สึก ถอยหลังมาให้รู้สึกใช่ไหมเหลียวซ้ายแลขวาให้รู้สึกจะคลองผ้าสบงจีวรสังฆาติขยับไม้ขยับมือให้รู้สึกรู้สึกคือมีสติรู้สึกคือมีปัญญาเห็นความจริงว่าตัวที่กระดุ ก, กระดิกนี่ไม่ใช่ตัวเราหลักอันเดียวกันนะไม่ว่าจะทำกรรมาฐานอะไรในสติปัฏฐานหลักเหมือนกันหมดเลยนะมีสติไปรู้สภาวะมีปัญญาไปรู้ลักษณะความเป็นไตรักษ์ของเขาทีนี้พวกเรา ถ้าไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะจะลําบากยากแค้นทําหลายปีละกิเลสไม่ได้จริงได้แต่ขมกิเลสเป็นคราวๆอย่างบรรท่านภาวนานะยังเที่ยวไล่ตีไล่ต่อยกับเขาไปทั่วนะถ้าภาวนาถูกต้องจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกทีนี้เวลาดูเวทนาก็ใช้หลักอันเดียวกันคือมีสติรู้ลงไปที่เวทนาเวทนาในกายมีสองอันคือความสุขกับความทุกข์ในจิตใจนี่มีความสุขมีความทุกข์และมีความเฉยๆด้วย ความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ไปไม่ใช่ไปนั่งเพ่งให้หายหลายคนสอนกรรมาฐานเคยได้ยินไหมจะข้ามเวทนานั่งไปปวดก็นั่งไปจะข้ามเวทนานี่อาจารย์สอนอีกแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนคืออะไรภิกสุขทั้งหลายเมื่อมีสุขเวทนาก็รู้ว่ามีสุขเวทนาถ้าสุขนั้นมีอามิสหมายถึงมีเหยื่อล่อ มีสุขเพราะว่าได้รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้ว่าสุขนั้นมีอามิตรถ้าสุขไม่มีอามิตรก็รู้ว่าไม่มีอามิตรคือสุขขึ้นมาเองอย่างพวกเรานักภาวนามีความสุขขึ้นมาเองเป็นสุขที่ไม่มีอามิตรถ้ามีความทุกข์ความทุกข์มีอามิตรก็รู้ความทุกข์ไม่มีอามิต h ก็รู้ถ้าเฉยๆก็รู้เฉยๆแบบมีอามิตรก็รู้แบบไม่มีอามิตรก็รู้รวมแล้วก้าอัน ดังนั้นในเวทนามีก้าแบบดูก็ดูให้ครบนะท่านสอนให้ดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ดูเพื่อให้เวทนาหายไปถ้าภาวนาเพื่อดับเวทนาเป็นอัตตานะไม่ใช่อนัตตาผิดทางของพระพุทธเจ้าเลยในการที่เรารู้เวทนานี่เราจะรู้อย่างอื่นด้วยคือเราจะรู้กายกับจิตด้วยเพระเวทนาอาศัยอยู่ในกายอาศัยอยู่ในจิต ดังนั้นเวทนานุปัสนาเป็นกรรมฐานที่ทำยากกว้างขวางครอบคลุมทั้งกายครอบคลุมทั้งจิตครอบคลุมถึงตัวเวทนาครอบคลุมถึงเหตุที่เกิดเวทนานั้นด้วยดังนั้นเวทนานุปัสนาเป็นกรรมฐานที่ทำยากกายานุปัสนานี่ทำง่ายเวทนานี่กว้างขวางมากแล้วก็จะต้องใช้หลักอันเดียวกันคือมีสติระลึกรู้สภาวะของเวทนาที่ปรากฏมีปัญญาเข้าใจเวทนานั้น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 บางอาจารย์สอนถึงขนาดนี้นะบอกว่าเวลาเคลื่อนไหวให้กำหนดไว้นะกำหนดเพื่อดับเวทนาคิดว่าถ้าเวทนาดับตัณหาจะดับตัณหาดับอุปทานจะดับภพจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับนี่คือไม่เข้าใจอย่างยิ่งเลยไม่มีใครดับเวทนาได้เพราะเวทนาเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงดังนั้นไม่มีใครดับเวทนาได้มีแต่เปลี่ยนสภาพของเวทนาจากสุขจากทุกข์ให้เป็นเฉยๆตังหากล่ะ เฉยๆก็เป็นเวทนาอีกอันหนึ่งไปคิดว่าเฉยๆไม่ใช่เวทนาฉะนั้นมีเฉยๆนะยังมีตัณหาอุปทานพบชาติได้อย่างเดิมนั่นแหละดังนั้นการรู้เวทนาไม่ใช่เพื่อละเวทนาแต่เพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราแล้วจิตจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะเวทนานะไม่ใช่ไม่มีเวทนานะแต่จิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะเวทนา ดังนั้นคำสอนที่ให้กำหนดลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายกำหนดเข้าไปเข้าไปแล้วดับเวทนามีธรรมะที่ดับเวทนาอยู่สองอย่างเท่านั้นเองคือสัญญาเวทยิตะนิโรธะหรือนิโรธสมาบัตินั่นเองอันนี้เฉพาะพระอรหันต์และพระอนาคามีที่ทรงฌาน8ถ้าไม่ได้ฌาน8ดก็เข้าไม่ได้นะฌาน8นั้นต้องเป็นวสีด้วยอีกอันหนึ่งที่ดับเวทนาคือพรมลูกฟักอสัญญาสตา เพราะอะไรเพราะจิตดับเมื่อจิตดับเจตสิกก็ดับเวทนาเป็นเจตสิกก็ดับร่วมกับจิตเหลือแต่กายนะนั่งสมาธิแล้วเหลือแต่กายตัวแข็งทื่อๆไม่มีความรู้สึกบางคนนั่งได้หลายวันนั่นพรมลุกฟักแล้วมีสองอย่างเท่านั้นที่ดับเวทนาฉะนั้นถ้าดับเวทนาก็เป็นพรมลุกฟักแล้วพระอรหันต์และพระอนาคา ม, มีไม่ได้ดับเวทนาแต่รู้สภาพความเป็นจริงของเวทนา จนไม่ยึดถือเวทนาไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตถึงเป็นพระอารหันต์ได้ถ้าไม่ยึดเวทนาไม่ยึดกายเป็นภูมิของพระอนาคามีไม่ยึดทั้งหมดเลยเป็นภูมิของพระอรหันต์ท่านเหล่านี้เวลาจะพักผ่อนท่านจะเข้านิโรธสมาบัติซึ่งดับเวทนาได้นอกนั้นไม่มีคนที่ว่ากําหนดดับเวทนาไม่ได้เดินในร่องรอยที่พระอารหันต์เดินถ้าเดินในร่องรอยที่พระอารหันต์เดินก็คือรู้เวทนาไม่ใช่ดับเวทนา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาคือพรมลูกฟักเท่านั้นเองนี่รู้เวทนานะไม่มีทางเลือกที่สองเลยดูจิตก็เหมือนกันจิตเป็นกุศลให้รู้จิตมีราคะโทสะโมหะให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้จิตสงบให้รู้รู้ในหลักเดียวกันคือสติระลึกรู้สภาวะมีปัญญารู้ลักษณะเช่นความโกรธเกิดขึ้นสติก็ระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นมา ปัญญาอย่างลงไปเห็นเลยตัวที่โกรธอยู่ไม่ใช่เราโกรธหรอกไม่มีตัวเราในความโกรธในจิต ท, ที่ไปโกรธไม่มีตัวเราในสัตว์บุคคลทั้งหลายที่ทำให้โกรธจะเห็นว่าไม่มีตัวเรานะดังนั้นทำสติปัฏฐานไม่ว่าจะกายเวทนาจิตนะสุดท้ายก็คือให้เห็นว่าไม่มีตัวมีตนนั่นเองถ้าละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน เป็นพระโสดาบันตามรู้ต่อไปจนเห็นความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามมีแต่ทุกข์ล้วนๆนี่คือเข้าใจทุกข์แจ่มแจ้งปล่อยวางความทุกข์หมดความยึดถือในขันเป็นพระอระหันต์ไม่มีทางเดินที่สองมากกว่านี้อีกต่อไปแล้วขอย้ำนะว่าไม่มีทางที่สองอีกต่อไปแล้วนี่เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ถ้าไม่เรียนก็ต้องลำบากต่อไปอีกเนิ่นนานนะ พระพุทธเจ้าทิ้งร่องรอยไว้ให้เราแล้วก็ต้องเรียนด้วยความเคารพเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ใช่เชื่อแต่อาจารย์วงเล็บเปิดสมเจดเมษายน2551เในวงเล็บสองวงเล็บปิดเราต้องเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนฟังที่หลวงพ่อบอกแล้วก็เจริญสติไปถ้าภาวนาเป็นแล้วนะไปศึกษาปริยัติจะลงกันเป๊ะไม่มีคลาดเคลื่อนเลย ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเป็นอันเดียวกันเลยการภาวนาให้มีสติไว้รูปแบบไม่สำคัญหรอกส่วนมากไปติดที่รูปแบบยังจะมาถามหลวงพ่อว่ารู้ลมหายใจดีหรือรู้พองยุบดีหรือพุโทโธดีมันก็ดีด้วยกันได้ทั้งนั้นแหละหรือไม่ก็ใช้ไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละรูปแบบมันเป็นเหมือนบรรจุภัณุ์นนะเหมือนกล่องสารสาคัญมันอยู่ที่เนื้อไหน เรามีเครื่องมือที่แท้จริงในการเจริญสติเจริญปัญญาไหมเครื่องมือคือสติกับปัญญาสติเป็นเครื่องะระลึกรู้ถึงการมีอยู่ของกายของใจปัญญาเป็นเครื่องเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นไตรรักษ์นี่เรามีเครื่องมืออย่างนี้ไหมเราต้องฝึกมันถึงจะเกิดตัวที่ทำให้เกิดสติคือการที่จิตจาสภาวะได้แม่นเรียกว่าทิรสัญญาทาให้สติเกิดบ่อยพวกเราต้องหัดดูสภาวะไปเรื่อย ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไวจิตมันเคลื่อนไหวเช่นมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลหรือมันวิ่งไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตทำงานขึ้นมาเราคอยรู้สึกรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้าพยายามรู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นการเพ่ง เพ่งจ้องใช้ไม่ได้นะฉะนั้นเราจะฝึกให้เกิดสติเราก็คอยรู้กายคอยรู้ใจร่างกายยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้อย่าใจลอยไปอย่าไปเพ่งอยู่ที่กายนะให้คอยรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้อย่าไปเพ่งเอาร่างกายหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้ไม่เพ่งเอาร่างกายพองยุบก็คอยรู้ไม่เพ่งเอาร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสายหลวงพ่อเทียน ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งคอยรู้สึกไม่ใช่ไปนั่งภาคเอานะอา้าวเคลื่อนไหวหยุดเคลื่อนไหวหยุดอย่างนี้ไม่ต้องนะฟุง่งซ่านแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายไปเรื่อยๆหรือจิตใจคอยตามรู้มันไปเรื่อยๆตามรู้เล่นๆไปต่อไปสติที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเองพอความโกรธเกิดปับ๊บสติจะเกิดเองเลยนะไม่ต้องจงใจแล้วคล้ายมันเกิดจนชินแล้วมันอัตโนมัติขึ้นมา หลวงพ่อหัดดูจิตดูใจอย่างนี้แหละหัดดูความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมา